สการพระคุณเจ้าภิกษุณีที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนนักปฏิบัติทุกๆ ท, ท่านนะว่าเป็นอีกวันลลหนึ่งเป็นวันที่เจ็ดเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติที่เราจะได้มาพบกันเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ มันสุดท้ายแล้วเมื่อคืนนี้ใจใครหนีกลับบ้านไปแล้วบ้างจิตใจที่คิดเรื่องบ้านเรื่องในเมืองที่ไม่เกี่ยวกับที่วัดนะ่ะไม่เกี่ยวกับที่นี่แดงว่าใจเราไปแล้วใจเราหลงไปแล้วตอนนี้คนบางคนมีใจยังไม่กลับเรนมาเลยนะ ใจยังไม่กลับคืนมาเลยนะยังยังไปไปมามาอยู่นะยังไม่กลับคืนมาอยู่ที่นี่ถ้ากลับมากลับมากลับมาบ้านเราร่างกายเราอยู่ที่นี่เนี่ยกายคือบ้านเนี่ยใจคือผู้ที่อยู่ที่บ้านเอากลับมากลับมาบ้านเราเอาใจกลับมาอยู่ที่กายซะจะได้ปลอดภัยอ่ามาอยู่กับปัจจุบันซะปัจจุบันคือ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าใจเราของเราใจเราเนี่ยมักยะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวชอบไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้วันนี้อาจจะบ่อยมากอาจจะคิดบ่อยมากวันนี้จึงให้การบ้านเอาไว้การบ้านนะคอยสังเกต ด, ดูใจเราให้การบ้านคือดูที่ใจเราว่าเราอยู่กับปัจจุบันไหม ถ้าใจเราหนีไปอยู่กับหนีอยู่ที่อื่นไม่อยู่กับปัจจุบันนี้ก็กลับมารู้กลับมารู้ไว้ เ, เวลาใจเราหลุดไปก็กลับมารู้ที่ปัจจุบันเอาไว้อันนี้คือการบ้านปัจจุบันก็คือการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเป็นปัจจุบันนะเป็นการเคลื่อนไหวของกายเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่หน้าที่นี้แล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือสังเกตดูว่าใจเราอยู่ตรงนี้ไหมอยู่กับการเคลื่อนไหวไหม ถ้าอยู่การเคลื่อนไหวแสดงว่าใจเรากลับมาอันนี้เป็นการดูจิตเป็นการดูจิตแล้วอย่างี้ตอนนี้รู้ไหมว่าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าอยู่ไหมแสดงว่าเรารู้จักใจเราแล้วเราดูจิตเราแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้ทันใจเราเรารู้สบายใจไหมเหมือนคนที่มีลูกเราเลี้ยงลูกของเราลูกเราไม่ดื้อเลย เราสอนเขาก็เชื่อลูกเราไม่ดื้อเลยเชื่อฟังเราเราก็สบายใจลูกของเราที่แท้จริงคือใจของเรานี่แหละสอนลูกเรานะสอนคือสอนใจเราว่าอย่าไปโกรธเขาอย่าไปรักเขาอย่าไปหลงไหลในสิ่งไหนให้กลับมารู้สึกรู้สึกนะเนี่ยคือสอนลูกของเราใครไม่มีลูกไม่ได้แต่งงานไม่ไปไล่หรอก่หละใจเรานะ่ะเป็นลูกของเราเป็นเพื่อนของเรา เนมิตรที่แท้จริงของเราถ้าเรารู้แล้วว่าการเจริญสติเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรทีนี้เราก็จะเอามาฝึกฝนใหม่นะหมายถึงว่าเราจะใช้สติที่เรากําลังฝึกกําลังสร้างอยู่เนี่ยนาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างอันนี้สําคัญนะเนี่ยเราาอยู่ที่เนี่ยเราก็สร้างสติ เราเพียนที่จะสร้างสติเพี ย, งงยรที่จะสร้างความรู้สึกตัวตลอดทั้งวันบางคนไม่ได้หลับก็อาจจะตลอดทั้งคืนก็ได้เราสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเครื่องมือเครื่องมือของชีวิตแต่เราจะเอาเครื่องมือนี้ไปใช้กับตัวเราได้อย่างไรบ้างเหมือนเราทำต ะ, ะเกียบทำตะเกียบขึ้นมาสักอัน ทำได้คู่แล้วได้ตะเกียบเป็นเครื่องมือแล้วเออเราจะใช้ตะเกียบเนี่ยเ <AM> จา้าตะเกียบเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรทําตะเกียบขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องมือแล้วเอามาเก็บไว้เฉยก็ไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อเราสร้างสติขึ้นมาแล้วเนี่ยทําความรู้ตัวมามากๆแล้วเนี่ยเจ้าให้ความรู้ตัวเนี่ยไปใช้ได้อย่างไรเอามาเก็บไว้เฉยเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกต้องนําเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์ เนื่องจากว่าทุกๆคนนะอยู่นี่ที่ น, นี่หรือที่ไหนก็ตามจะต้องมีงานทําแล้วก็จะต้องทํางานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะนําสติเนี่ยไปใช้กับการทํางานของเราเนี่ยยางอะไรเราจะแทรกสติลงไปในการทํางานของเราได้อย่างไรบางคนคิดว่ามันทําได้ยากเพราะว่าเราต้องใช้ความคิด เลยต้องคิดการทําอะไรเราก็ต้องคิดจะทํายังไงที่จ ะ, จะเจริญสติในระหว่างการทํางานโดยที่ไม่ต้องปล่อยจิตปล่อยใจให้ลหลงไหลไปกับความคิดสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทําในการนําเอาตัวสติไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเราก็ต้องตั้งใจ ตั้งใจทำงานตั้งใจทำหน้าที่ตรงนั้นณปัจจุบันนั้นก่อนไอความตั้งใจนั่แหละคือเราได้ตั้งสติไว้เรียบร้อยแล้วในการทำหน้าที่เมื่อเราถึงคราวจะต้องคิดจําเป็นต้องใช้ความคิดเราก็ตั้งใจคิดการตั้งใจคิดนั่นแหละคือการคิดด้วยการมีสติ การที่เราตั้งใจทําหน้าที่ณปัจจุบันนั้นหรือตั้งใจคิดเมื่อถึงเขาจะต้องคิดณปัจจุบันนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยคือการเจริญสติคือการนําเอาความรู้ตัวเนี่ยมาใช้กับชีวิตของเราแล้วขอให้เราใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาไม่ต้องทําอะไรแปลกไม่ต้องทําอะไรพิเศษขึ้น ใช้คิดตามธรรมดาแต่การใช้ชึวิเราเนี่ยเพียงแต่เพิ่มหรือแท้ความรู้สึกตัวในการใช้ชีวิตนั้นให้ได้เมื่อเราเริ่มต้นทำใหม่ๆเราอาจจะดูขัดเขินอาจจะดูขัดกับความรู้สึกเราบ้างก็ไม่เป็นไรให้เรารู้สึกตรงนั้นด้วยรู้ให้เท่าทันในความขัดเขินหรือในความไม่สะดวก ในตอนเริ่มต้นทาใหม่ๆแม้ว่ามันจะเป็นของใหม่ในชีวิตของเราแต่ก็ควรจะรับเอาไว้เพราะมันเป็นของใหม่ที่ทำให้เรามีชีวิตใหม่ขึ้นมาอยากมีชีวิตใหม่ไหมเบื่อชีวิตเก่าหรื อ, อยังเบื่อแล้วเหรอถ้าเบื่อแล้วก็ตายซะแล้วถ้เกิดใหม่เอางั้นไหมไม่ต้องหลอเราไม่ต้องตาย ไม่ต้องตายและไปเกิดใหม่จริงะเป็นชีวิตใหม่ไม่ต้องเพียงแต่เราสร้างความรู้สึกตัวสร้างสติในท่ามกลางที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละเราสามารถเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติใหม่ณนะปัจจุบันนี้เลยในการใช้ชีวิตเนี่ยเราลองทำชีวิตให้มันช้าลงสักหน่อยดึงเวลาชีวิตให้มันช้าลงสักนิดนึงเพราะเราชอบทาอะไรไวๆด้วยความเคยชินเราลองช้าลงสักนิดนึง สติมันจะเกิดได้ง่ายพวกเราชอบทำอะไรเร็วๆทำไม่ไวแล้วก็ขาดสติ mm hmm. การทำเร็วทำไวแล้วไม่มีสติเนี่ยเราจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากกว่าปกติดูซิเวลาเรายกมือเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่เคยทำเป็นจังหวะเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดแต่เราชอบที่จะไปแบบเร็วๆแล้วก็ไม่รู้สึกตัวด้วยความเคยชินของเรา เวลาเดินจังกรมยองคงเราก็เดินเร็วโดนเร็วเดินเร็วมากเหมือนจะไปตามหาใครที่ไหนหน้าหลักคือการเดินแบบขาดสติถ้าเราเดินแบบรู้สึกตัวเราจะเดินแบบปกติไม่ช้าไม่เร็วเดินแบบไม่รู้สึกตัวจะเดินแบบปกติไม่ช้าไม่เร็วเราก็จะเดินแบบมีความสุขไม่เหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่แล้วก็เดินได้นาน ไม่ต้องช้าหรือไม่ต้องเร็วเราต้องรู้ว่าอะไรที่ควรช้าก็ต้องช้าอะไรที่ควรรีบก็ต้องรีบชีวิตเราเนี่ยบางทีก็ต้องช้าบางที่ก็ต้องบางเวลาก็ต้องรียบอย่างเวลาเราข้ามถนนเนี่ยเราอยากทำช้าได้ไหมเวลาข้ามถนต้องทำรีบรีบแต่เวลาเราพ้นจากถนนไปแล้วเราก็เดินตามปกติระวังนะ เวลาเดินข้ามถนนเนี่ยอย่าเดินมันเดินจงกรมที่วัดอาจจะโดนอาจจะช้าเกินไปอาจจะโดนรถชนตายก็ได้ต้องรีบเดินไวนะการเดินช้าหรือเดินเร็วเราก็ย่อมทําได้เมื่อมีเมืม่อถึงเวลานั้นแต่การเดินช้าเราก็ต้องมีสติการเดินเร็วก็ต้องมีสติการทําอะไรจะช้าก็ต้องมีสติทําอะไรเร็วก็ต้องมีสติทุกครั้งในการเคลื่อนไหวในการทําเนี่ย อย่าลืมแทรกสติลงไปในณปัจจุบันนั้นด้วยแล้เวลาจะทำอะไรเนี่ยถ้าใช้สติมันเกิดขึ้นได้ง่ายทำแบบสนุกแบบสบายก็ต้องทำทีละอย่างทีละอย่างทำทีละอย่างทำทีละเรื่องอย่าทำาขั้งเดียวหลายๆอย่างเราจะไม่รู้ว่าสติจะเกิดขึ้นที่ตรงไหนได้เมื่อกี้ผมเห็นคนคนหนึ่งเขาเก่งมาก เมื่อกี้สังเกตเห็นคนคนหนึ่งเขาเก่งมากเขาฟังด้วยจดไปด้วยแล้วก็ห า, าไปด้วยไม่รู้ว่าเขาเกิดสติตรงไหนเอาทีละอย่างทีละอย่างทําดีละเรื่องเนี่ยเราจะได้ไม่เหนื่อยได้ไม่ตับสนในชีวิตอาอย่างเช่นการทําครัวที่นี่มีผู้หญิงเยอะในวัดผู้หญิงมื่ ก, กี้เยอะผู้ชายมักจะน้อย เนไหมบนสวรรค์จึงมีดาวฟ้าเยอะผู้ชาย ม, มีเทวดาน้อยเอาพุทธเจนทำครัวก่อ น, นการทําครัวเนี่ยถ้าเราจะทําครัวปรุงอาหารเราต้องมีสติตั้งใจทําในการกระทําของเรานั้นในปัจจุบันนั้นการทําครัวการทําหน้าที่แม่บ้าน ทำด้วยการมีสติอยู่กับปัจจุบันนั้นทำครัวให้ดีที่สุดปรงอาหารให้ดีที่สุดอาหารจะออกมาปราณีตและก็อร่อย<ม>การทำครัวอย่างมีสติจิตใจจะปกติแล้วก็สนุกกับการทำครัวณนะปัจจุบันนั้นอย่างที่เนี่ยก็มีแม่ครัวมาฟังธรรมะนะ แม่ครัวที่ทําอาหารให้หลอรับประทามเนี่ยถ้าเขาทําครัวอย่างมีความทุกข์อย่างใจวิตกกังวลทําไปอาหารมันจะอร่อยไหมคนกินเขาจะกินหมดไหมเก็จะมีประสบการณ์กินไหมเนี่ยการทําครัวที่จิตใจแบบนี้มันทำมีผลทํำให้คนกินเนี่ยไม่มีความสุขถ้าทําครัวไปจิตใจมีความโกรธไป อาหารที่ออกมาเนี่ยแล้วพวกเรารับประทานเนี่ยพวกเราก็จะตีกันทั้งทั้งทั้งวัดเลยถ้าเขาทำครัวด้วยการมีสติตั้งใจทำนอกจากอาหารออกมาจะอร่อยแล้ว<ม>พวกเราเนี่ย ม, มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเราบรรลุธรรมแล้วเขาเป็นการทำอาหารให้เราบรรลุธรรมได้เนี่ยแม่ครัวเนี่ยจะมีบุญมากคนทำความสะอาด ที่นี่ก็ดีแล้วก็จิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็ดีถ้าเขาช่วยเราด้วยความตั้งใจถ้าบอกเอิญเรามาลุททำเนี่ยบุคคลเหล่านี้เขาก็จะมีบุญมากได้ในสงจากการปฏิบัติของเราด้วยถ้าเราอยากจะให้แม่ครัวผู้ที่ช่วยเหลือเราจิตอาสาหรือคนที่ทำความสะอาดเนี่ยได้บุญเราต้องรีบปฏิบัติ พยายามปฏิบัติเพื่อใบรรลุธรรมพวกเขาจะได้ได้บุญสมความปรารถนานี่เอาแก่จำกลัวถือว่าเป็นการปฏิบัติทำได้และอย่างหนึ่งก็ได้เช่ น, เ ว, เ, ช เ, นเวลาเราล้างชามเนี่ยเวลาเราล้างชามไหนใครไม่เคยล้างชามยกมือขึ้น การล้างชามนี่ก็ปฏิบัติทําได้นะเพราะฉะนั้นคราวต่อไปเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยจะไม่ให้คนอื่นล้างชามให้เราก็จะล้างชามด้วยตัวของเราเองเราทานข้าวเราทําเปื้อนข้าหามาให้เราแล้วเราต้องล้างชามทานและล้างชามด้วยตัวเราเองเพราะการล้างชามก็คือการทําความรู้สึกตัวนี่แหละขณะล้างชามเนี่ยเราสามารถจะมีความสุข กับการล้างชามด้วยการทำความรู้สึกตัวขณะล้างชามณปัจจุบันนั้นเลยทำได้อย่างไรล้างชามอย่างมีความสุขก็คือการตั้งใจตั้งใจล้างชามล้างชามเพื่อจะล้างชามล้างชามเพื่อจะล้างชามอย่าไปหวังว่าจะต้องล้างให้เสร็จจะต้องล้างให้สะอาดอันนั้นคืออนาคต ในปัจจุบันนะเราตั้งใจล้างชามให้ดีที่สุดนั่หลักคือการปฏิบัติธรรมแล้วเราสร้างเหตุคือการตั้งใจล้างชามตรงนี้มันจะมีความสุขเพราะติดที่จดจ่ออยู่กับการล้างชามมันจะมีทั้งสติมีทั้งสมาธิไอ้ความคิดปรุงแต่งที่ว่าอยากให้มันเจ็ดอยากให้มันดีมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเรามีความสุขแล้วในปัจจุบันนั้นล้างไปเรื่อยๆ เดี๋ยวการล้างเสร็จมันก็จะเกิดขึ้นและมันก็จะมีความสะอาดอยู่ในตัวมันเสร็จเราทําแค่หนึ่งเดียวเราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นขณะที่เราล้างชามอย่างมีสติเนี่ยจิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วมีความสุขทุกขณะอันนั้นคือเราได้แล้วแล้วถ้าหากว่าเราล้างชามเสร็จการที่เราทําเสร็จนั้นแล้วชามสะอาดเรียบร้อยเราก็มีความสุข ผลนั้นเป็นสุขที่หลังอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ขณะที่เราตั้งใจตามเหตุการล้างจามเนี่ยเราได้ผลนั้นก่อนแล้วเรามักจะทำงานในขณะนั้นจิตใจไม่ได้จดจอยหยุดงานในปัจจุบันเราไปคิดถึงผลในอนาคตรอให้ความสุขเกิดจากผลในอนาคตเกิดจากการสำเร็จในอนาคตซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้น ถ้าเราทําอยู่กับปัจจุบันเนี่ยโดยที่ใจอยู่ในอนาคตหวังเอาผลอย่างนั้นเราจะมีวันที่จะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้เลยความสุขอยู่ที่ปัจจุบันความสุขอยู่ที่ปัจจุบันอย่ามุ่งหาความสุขอนาคตมันไม่มีวันเจอพอถึงอนาคตแล้วก็มุ่งแปรอนาคตเราไปหวังความสุขในตอนข้างหน้าจนตายก็ไม่เจอก่อนจะตายเราจะเรายังหวังว่า เกิดชาติใหม่เราคงจะมีความสุขเราวิ่งไล่ตามความสุขมันวิ่งไล่ควาเงาไม่มีวันเจอเพราะนั้นอย่าลืมความสุขในขณะปัจจุบันด้วยการมีสติรู้อยู่ตรงนี้แหละเราได้เก็บเกี่ยวความสุขได้ก่อนเลยถ้าเราทำในสิ่งปัจจุบันด้วยสติเราจะมีความสุขเราจะทำได้เรื่อยๆทำแบบไม่อยากจะเลิกดปซ้ำไป มันสนุกกับการทำในปัจจุบันนั้นเราไม่ได้มีความสุข ก, กับการใช้ชีวิตเพราะว่าเราทำในสิ่งนี้ในปัจจุบันแต่เราขาดสติเราไปมุ่งหวงังมุตตักวลถึงผลในอนาคตอย่างนี้ไม่มีทางเจอความสุขแน่เวลาเราอาบน้าการอาบน้าเนี่ยเป็นเวลาที่มีความสุขมากสำหรับเรา แต่เราไม่เคยมีสติอยู่กับการอาบน้ำเลยขณะที่เราอาบน้ำอยู่เนี่ยน้ำที่มาลดในตัวเราเนี่ยมันสดชื่นแต่เราไม่เคยสนใจไม่เคยเก็บเกี่ยวความสุขในขณะที่มีความสดชื่นต่างกิตเลยเราอาบน้ำเพื่อจะอ า, ห ใ, หอาหให้มันเสร็จอาบเห้มันเสร็จแล้วไปทำอย่างอื่นต่อไปเราพลาดความสุขตรงนี้ไปถ้าเราอาบน้าอย่างมีสติ อาบน้ำอยู่กับปัจจุบันอาบน้ำเพื่อจะอาบน้ำทาหน้าที่อาบน้ำให้ดีที่สุดเนี่ยเราจะมีความสุขแบบอาบน้ำไม่อยากเลิกเลยก็ได้ใครเคยรู้สึกขันตามเนื้อตามตัวบ้างไหมถ้าใครรู้สึกขันตามเนื้อตามตัวเวลาคันเราก็ต้องเกา การที่เราเกาอย่างมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะเกาอย่างมีความสุขเกาอย่างมีความสุขแต่ระวังให้ดีนะความสุขจากการเกาแล้วไม่เลิกบางทีไปอาจจะเกิดแถลลอกปอกเปิดนี่เราต้องรู้ให้ทันด้วยนะทุกอย่างที่เรากระทาในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่กับการกระทาในปัจจุบันนั้ น, นโดยที่ไม่ต้องกังวลถึงอ น, นาคตเนี่ย เราจะมีความสุขทำได้เรื่อยๆทำแบบเพลินทำแบบไม่อยากเลิกก็ได้นะเนี่ยคือเคล็ดลับของการมีความสุขอยู่กับการมีสติอยู่กับปัจจุบันนี่แหละบางทีเราทำไปจิตใจเรามีความสุขความสุขเนี่ยมันจิตใจที่ขาวที่ผอมใสแต่บางครั้งด้วยนิสัยเก่าด้วยความเคยชินของเราอาจจะมีอารมณ์อะไรบางอย่างที่เกิดความไม่พอใจขึ้นมา จะมีอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยเราโกรธคนข้างๆเราเราจะมีสติรู้ทันในอารมณ์นั้นเพราะอารมณ์นั้นความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจากความสุขของเราใครเคยโกรธบ้างมีใครกล้าโกหกว่าไม่เคยโกรธไหม <c oughs> อย่าฟังเพลินคิดตามด้วยอ๋อเวลเอาละความโกรธเนี่ยเราห้ามไม่ได้ความโกรธเราห้ามไม่ได้เพราะคนเราเคยโกรธมาแล้วเวลามีความโกรธขึ้นมาเนี่ยความโกรธมันจะเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนมากเราไม่ห้ามแต่เราให้มีสติรู้ทันในความโกรธนั้น คนทีอยู่ใกล้ๆตัวนั่นแหละเราก็โกรธคนใกล้ๆตัวนั่นแหละอาจจะเป็นพ่อเราแม่เราสามีภรรยาของเราหรือเพื่อนของเราก็ได้เวลาโกรธขึ้นมามีสติรู้ทันอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าเพิ่งทําอะไรถ้าเราพูดในขณะที่เราโกรธเราทําในเวลาที่โกรธเนี่ยเราจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยให้มันหายโกรธซะก่อน ให้จิตเราหายโกรธซะก่อนเราค่อยพูดเราค่อยทำบางทีจิตเราหายโกรธแล้วบางทีเราก็ไม่อยากพูดไม่อยากทำก็ได้เราทำด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นปกติเราเองก็มีความสุขเราจะได้ไม่รู้สึกผิดที่ว่าเราไม่น่าพูดลงไปเลยเราไม่น่าทำลงไปเลยเราต้องรู้จักยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตของเรา อย่ายึดมั่นถือมั่นในเหตุในผลในทุกในในความถูกความผิดเกินไปเราจะปีแต่ความทุกข์ต้องรู้จักยืดหยุ่นชีวิตที่ดีนั้นต้องยืดหยุ่นตามเหตุการบ้างดังนห้เวลาเราไปซื้อของไปเดินห้างเนี่ยทุกคนก็เคยไปซื้อของไปเดินห้างเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเรามีสตางค์ไป สินค้าที่มาให้เราเลือกเนี่ยบางทีเราเกิดความโลภมีความอยากได้เกิดความพอใจให้มีสติรู้ทันจิตในความอยากได้ในความอยากซื้อในขณะนั้นด้วยดังเช่นเราเห็นเสื้อสวยชุดสวยเราก็เกิดความอยากได้ให้มีสติรู้ทันในความอยากได้เสียก่อนที่จะซื้อให้มีสติรู้ทันเสียก่อนว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ย มันควรไหมเพราะที่บ้านเราก็มีมากแล้วเราจะซื้อไปเนี่ยเราจะได้ใช้ไหมเนี่ยซื้อไปก็เกะ ก, กะมากมายเต็มบ้านเราปะปะเนี่ยสติเนี่ยมันจะทำหน้าที่รู้ทันในอารมณ์ของเราคือความอยากแต่ศสรแล้วมันจะเกิดการไข้ควรสติรู้ทันในความอยากจะเกิดเป็นญาไข้ควรบางทีเราไม่ต้องซื้อสิ่งนั้นเลยก็ได้ บางทีเราไปเจอมือถือรุ่นใหม่เจอมือถือรุ่นใหม่เราเกิดความอยากได้ไอ้ความอยากนี่มันดิ้นเล่าๆในจิตใจให้เรามีสติรู้ทันรู้จักยืดหยุ่นอ๋อรุ่นนี้ราคาเข้านี้อาจจะแพงเกินไปเราเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยืดหยุ่นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้รอรุ่นใหม่อาจจะราคาถูกกว่านี้และอาจจะดีกว่านี่เนี่ย พอไปเจอรุ่นนี้รุ่นใหม่แล้วก็บอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ซื้อรุ่นใหม่กว่านี่มันอาจจะถูกกว่า น, นี่และก็ดีกว่านี่เราพยายามยืดหยุ่นไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตเราจะไม่ต้องซื้อมือถือรุ่นใหม่ก็ได้ถ้าเราใช้ชวิตอย่างการมีสติเราก็จะประหยัดเงินได้เยอะเลยเก็บเงินเอาไว้ในส่วนที่จําเป็นของเราเห็นไหมประโยชน์ของการมีสติจะต้องไม่ต้องเสียเงินให้มาก เนี่ยเราทำอย่างนี้แหละเรามีสติรู้สึกอยู่กับการทำที่ในปัจจุบันเนี่ยทำบ่อยๆบ่อยๆมันจะเกิดความชนานาญแล้วจะเกิดความเคยชินที่จะเป็นอย่างนี้แล้วการเจริญสติเนี่ยมันจะง่ายมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นการมีสติรู้ทันจิตทันใจของเราแล้วก็เกิดปัญญารู้ความจริงของตัวเรานี่แหละ เขาเรียกว่ามหาสติมหาสติเกิดเมื่อเราเป็นผู้ดูจิตที่เป็นผู้ดูอยู่กับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี่แหละเนี่ยคือมหาสติคนที่ไม่ได้เจริญสติไม่มีความรู้ตัวในการใช้ชีวิตชีวิตจะมีแต่ขัดข้องมืดมนอารมณ์ทั้งหลายคือความคิดจะมันลุ่มเล้าแล้วก็จะมีความทุกข์ ต้งแต่ปัจจุบันและก็เบื้องหน้าต่อไปคนทีเน่เดินชีวิตด้วยการมีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยแม้ว่าสิ่งภายนอกการกระทาภายนอกจะเหมือนกันเหมือนกับคนที่ไม่มีสติแต่ว่ามันต่างกันที่จิตใจคนที่มีขาดสติในการดเดินชีวิตเขาไม่มีความรู้สึกตัวที่แท้จริงแต่คนที่มีสติกับการเดินชีวิตเนี่ย ข้างในเนี่ยมันมีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวแล้วชีวิตเนี่ยมันจะมีแต่จะเบาลงความทุกข์ต่างๆมันจะน้อยลงไปสติทําให้เกิดสมาธิเป็นของแถมถ้าเรามีสติจะเกิดสมาธิเป็นของแถมปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปและปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นด้วย การเจริญสติการทำความรู้ตัวเนี่ยทำได้ทุกทุกคนทำได้ทำได้ทุกเพศทุกวัยบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้นับถือศาสนาอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นเพราะทำที่ตัวของเราเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้แต่ว่าบอกกันได้ถ้ามีสติมีความรู้ตัว อยู่คนเดียวก็ไม่เหงาแม้ไปไหนไม่ได้ก็มีความสุขคนพิการอย่างนี้ก็ยังทําได้ถ้าท่านยังมีกายที่เคลื่อนไหวมีสติที่รู้อยู่เนี่ยก็ใช้ได้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายหรือว่าเป็นวันพิเศษสำหรับเราวันสุดท้ายเราต้องทําอะไรให้ดีที่สุดสำหรับเราการทําในสิ่งดีๆสำหรับเรานั้น เฉพาะวันนี้เราควรจะมีสติควรจะมีสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้โอกาส้างหน้าอาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้แม้ว่าจะมีอาจจะไม่เหมือนวันนี้ก็ได้การทาปัจจุบันให้ดี้สุดคือการมีความรู้กตัวไม่ถว่าเป็นวันดีสำหรับเราเป็นวันพิเศษสห ร, รับเรา การมีดวงตาเห็นธรรมนั้นโอกาสมีขึ้นได้ในทุกขณะจิตในปัจจุบันการมีดวงตาเห็นธรรมนั้นเรามีสิทธิที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ทุกขณะจิตที่ปัจจุบันนี้การบรรลุธรรมมันมีขึ้นได้ในทุกขณะจิตในปัจจุบัน การทำชีวิตปัจจุบันให้ดีสุดการมีสติปัจจุบันนั้นเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะบรรลุธรรมในวันนี้ก็ได้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยมีดวงใจที่ำบรรลุธรรมในวันนี้พรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องขึ้นรถกลับบ้าน ให้ทุกคนเนี่ยมาถอดกับบ้านกันทุกท่านทุกคนเธิ